أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ب نستعين ولا عدوان ول إلا للظالمين ولا حول ولا كوة إلا بالله ا ل ع ل ي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبد ورسوله أ, أ و و ر, س ر س ل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كلها الكافلون وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وناس الأمة وشاف ي لها قتاد ج ز ا ه الله أنها و ع ل م ي خ ي ر م ت جزاه نبيا أ ل م ي قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد ع ذ ب ل م ش ي ا ن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ب ل ت ؤ ث ر و ن الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับผมดุนยาคือเสบียงแล้วอาคิวร์ก็คือที่ที่เราต้องกลับเข้าไปอยู่พี่น้องที่รักยิ่งครับในสุรตุลฟัชพวกเราร้กล่าวค่าว่าชีอายามาัดินบีจะันน้ำยาว์ไมา่ดีจะก ذ ุลอินซานว่อันนาละหุดิกระยากูลุยาเลยตันีกัดดัมตุลหยาต ة พรับเลก้ยไว้ครับถึงในวันเกียรมาสภาพวันเกียรมาพอเราบอกวันิสราอฟัตว่าวาจีอ่ะในวันนั้นจะถูกนำมาบิจฮันนำไฟนรกนั้นจะถูกนำมาอยู่เบื้องหน้าของมนุษย์ทุกคนให้พวกเขาได้เห็นว่านี่คือการลงโทษที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ เยาวมะอิเดียตะจักการุลอินซในวันนั้นมนุษย์ทุกคนจะคิดออกมนุษย์ทุกคนจะฉลาดมนุษย์ทุกคนจะเข้าใจมนุษย์ทุกคนจะรู้ว่าตกลงอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะทำกันแน่ในดุ n y a วาอันนาลาหุดิกรอแต่ไปคิดได้ตอนนั้นน่ะมันหาได้ยังประโยชน์ใดไม่คือมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว พเพราะผู้ลอสส์บาตาบอกให้เรารู้ครับว่าในดุนยาเราจะพบผู้คนมากมายมหาศาลใช่ไหมที่ว่าบางคนเขาก็คิดได้บางคนก็คิดไม่ได้บางคนก็รู้จักอัลลอฮ์บางคนก็ไปเสดอัลลอฮ์บางคนก็รู้จักอัลลอฮ์แต่ก็ยังเลือกดุนยาอยู่บางคนรู้จักผู้ลอส์แล้วเขาก็เลือกอัชลอฮ์มากกว่าเลือกดุนยาผู้คนมากมายมหาศาลแต่ผู้ลอส์บอกไว้ครับว่าในวันโลกหน้าเนี่ยออินเซนผราลอส์ใช้คารวมเลยมนุษยช า, าติทั้งหมดทุกคนยัตตะกับเขาจะคิดออก แต่ถ้าว่าอันนาลาหุดิกรอคิดตอนนั้นจะมีประ่ยชนอะไรยากูลูยาเลตาณีกัดดัมตุลิหายาตีประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเขาจะพูดว่าอันนี้ก็คือผู้ไปเสดสัทธาในหมู่ของมนุษย์พวกเขาจะพูดว่ายาเลตาณีอันนี้จาเอ๋ยเป็นการอุทานในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเจอในอัลกุรอานนะครับ เจอเขาว่าไรต้าเนะี่ยคอยดูแล้วว่าผู้ที่พูดแต่พูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเขารู้ตัวว่ามันเป็นไปไม่ได้ยะไรต้านีกอดดัมตุลิหายาตีความหวังอันเลื่อนลอยของฉันความหวังที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าฉันได้เตรียมการงานเพื่อชีวิตของฉันก็คงจะดีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงไหนครับ ก็ดำตู้ิหายาตีหากฉันได้ตราเตรมมาเพื่อชีวิตฉันก็คงจะดีเปรอเาบอกว่านี่คือคําพูดที่มนุษย์ที่หลงผิดในดุนยามนุษย์ที่เขาทุ่มเทให้กับชีวิตในดุนยานะเขาจะพูดเขาบอกว่าถ้าเกิดฉันเตรียมเพื่อชีวิตของฉันก็คงจะดีแปลว่าไงครับแปลว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อไปถึงวันเกียรมะเขาจะเข้าใจแล้วว่าความหมายของคําว่าชีวิตคืออะไร ในดุนยาพี่น้องเราไปดูครับผู้คนมากมายมหาศารพยายามตามหาความหมายของชีวิตแต่ใดก็ตามที่เขายังเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อแล้วเขาไม่มีทางเจอความหมายครับเพราะคําตอบที่ถูกต้องเมื่อมันถูกปฏิเสธไปแล้วต่อให้หาอีกเป็นล้านคําตอบมันก็ไม่มีทางจะถูกได้เพราะเขาปฏิเสธคําตอบที่ถูกต้องไปแล้วเพราะเขาปฏิเสธคําตอบที่ถูกต้องไปแล้วที่บอกว่าโลกนี้คือบททดสอบโลกหน้าคือการตอบแทนโลกหน้าคือชีวิตที่แท้จริง โลกนนั้นคือการที่เราจะได้ดําเนินชีวิตตลอดจานคอยรุนวะอเบกอในยักูร่าเนะครับสารต้นฟัสเนี่ยผมก็ได้อธิบายซึ่งเมื่อเราเอามาขยายความกับสารตุนอร่าที่เรากำลังพูดอยู่ที่พวกเราบอกว่าคอยรุนคอยรู้วะอเบกอที่พวกเราบอกว่าบรรทุกสื่อนูนฮแฮ ต, ตุนยายแต่ว่าพวกเจ้าเนี่ยเลือกอาคิร้อทัทง้ทงๆที่ว่าละอะคิร้อทั้งทั้งที่โลกอะคิร้อนั้นมันคือสิ่งที่ดี แ ล, แล้วมันคือสิ่งที่เกี Spark ่ยวต่อการแปลว่าชีวิตในดุนยานะครับตอนเนี้ยเราอยู่ในดุนยาไงอย่างที่ผมเคยเปรียบเทียบไปคือตอนเนี้ยเราเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไงเราก็เลยคิดว่าดุนยาเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเราเลยคิดว่าความสุขในดุนยาคือความสุขจริงๆเราก็เลยคิดว่าความทุกข์ในดุนยาคือความทุกข์จริงๆแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อเราอยู่วันอาคเราอเราอาจจะรู้สึกกับตาลปัดเลยเราอาจจะกลายเป็นว่าความสุขในดุนยาจริงๆมันคือหายนะ แล้วก็ความทุกข์ในดุนยาจริงๆมันคือสเสบียงจริงๆมันคือความงดงามนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะคิดได้เมื่อเขาไปถึงวันเกียร์นะเหมือนกับผู้ใหญ่ครับที่เราจะเริ่มคิดได้ตอนเด็กเราเชื่อว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีบางทีเราจะไม่เข้าใจทําไมพ่อแม่ต้องมาบังคับให้เราเรียนหนังสือทําไมพ่อแม่ต้องบังคับให้เรากินของที่ไม่อร่ อ, รอยทําไมต้องโดนอย่างนั้นทําไมต้องมีกรอบทําไมทําไมทําไมทำไมเราจะเรียกร้องไหาสารภาพ แต่เมื่อถึงเวลาเมื่อเราเติบโตมาอยู่ในวัยของพ่อแม่เราแล้วเรามีลูกหลายคนจะเลือกใช้รูปแบบเดียวกับที่พ่อแม่เขาเคยทําเพราะเขาเพิ่งเข้าใจว่าเออตกลงมันเป็นแบบนี้เองชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้แปลว่าช่วงเยาวชนยังไม่เข้าใจความหมายของชีวิตครับยังไม่รู้ว่าตกลงชีวิตแปลว่าอะไรเราอาจจะคิดว่าเรารู้หมดแล้วโดวยเฉพาะที่เกิดว่าช่วง วัยที่แบบว่าแตกหนุ่มเนี่ยอายุประมาณสิบสิบเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจว่าเรารู้จักชีวิตดีแล้วเราเราู้ว่าอะไรคืออะไรเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นช่วงวัยที่เรามีกําลังมีไฟมีความปรารถนาที่จะทำอะไรมากมายมีความฝันมีความหวังในไหนมากมายแต่เมื่อเราเผชิญหน้ากับความเป็นจริงหลายคนก็เพิ่งจะมาคิดได้ว่าที่เขาเข้าใจในจกตกลงมันไม่ใช่แต่พี่น้องจนกว่าเราจะตาย จนกว่าเราจะถึงวันเกียร์มาเมื่อนั้นแหละแล้วถึงจะรู้ว่าเออตกลงที่เราเข้าใจว่าชีวิตมันคือความสุขความทุกข์อย่างนั้นตกลงมันไม่ใช่เลยเนี่แต่ความสุขจริงๆมันไม่ใช่การกินอาหารอะไรอร่อยมันไม่ใช่แม้แต่การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่เรารักเพราะคนที่เรารักในดุนยาเมื่อไปถึงอาคิร์เราอาจจะเป็นคนที่เกลียดเราที่สุดหรืออาจจะเป็นคนที่เราเกลียดมากๆก็ได้เพราะฉะนั้นนิยามคําว่าความสุขความทุกข์ที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราอยู่ในวันอาคราิร มันอาจจะเปลี่ยนกับตาลปัตเลยก็ได้และนั่นแหละคือความจริงแล้วนี่แหละคือภาพลวงตาะคือความจริ้วนะคือภาพลวงตานี่คอความจรงแวนพลวงตนี่และคือคแล้วนตานงวน่อ ว่าในอาคราติอดาบชัดีดว่ามักฟิรตุมมินัลลอฮิวะลิทวานุว่ามัน ح ي ا ตุญยาอิลลามแตาอุลกรุรในสุ ร, ح ح ราฮีดคุครักบวาวไ อ, อเรื่มุเยเข้าใจใช่ไพเราก็อธิบายเราเข้าใจครับเมื่อเอาจริงๆครับที่เรากาลังพูดคุยกันก็คือเราเนี่ยยังไม่เข้าใจจริงๆแม้แต่ตัวผมแม้แต่พี่น้องที่รักทุกท่าน เรายังไม่เข้าใจจริงๆถึงความหมายของคําว่าชีวิตคืออะไรไม่เข้าใจความหมายคำว่าชีวิตคืออะไรแล้วพอ ร, ร์ลัสบารัคก็ได้พยายามอธิบายให้เราฟังในหลายที่ในหลายตําแหน่งแล้วนะครับผมซึ่งอย่างสุรทิย์ยกมาในสุรทัยดีต์พอร์ลัสบอกว่าจงรู้ไว้ว่าชีวิตจุล ญ, ญาเนี่ยจริงๆแล้วเน่ยภาพรวมที่แท้จริงของมันที่พอร์ลัสบอกให้เรารู้ชีวิตจุล ญ, ญานั้นคือการลาเล่นมันเหมือนของเล่นนะมันเหมือนของเล่น ที่เรามาปุ๊บะเราเว้เราไล่วิ่งไล่ตามกระแสเราไล่ตามแฟชั่นเราดูจากว่าคนส่วนใหญ่ชอบอะไรคนส่วนใหญ่เกลียดอะไรเราได้รับอิทธิพลจากคําพูดของคนหรือว่าเราแคร์ใครเราไม่แคร์ใครเราห่วงเรื่องอาหารการกินเราห่วงเรื่องภาพลักษณ์เราห่วงเรื่องการสวมใส่เราสนใจความสนุก <c oughs> ตัวเราบอกไงครับเอาจริงๆอ่ะชีวิตดนยามันก็แค่ละอิฐมันก็คือการละเล่นวัว ล, ละวูแล้วก็สิ่งที่ไร้สาระ ว่าีนะตุลแล้วมันก็คือความสวยงามเพราะเราก็บอกดูไงก็คือความสวยงามพระเอร์ก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะพวกเราก็ทําให้ดุนยา ม, มันดูสวยงามวิวทิวทัศผู้คนมีความงดงามมีความชั่วร้ายก็จริงแต่ความงดงามก็มีพระลราก็บอกแต่คำแรกที่พวะลราใช้คือมันคือการเล่นนะมันคือสิ่งที่ไร้าสาระนะมันคือความงดงาม what of the community นะกุม <c oughs> แล้วก็คือการข่มระหว่างกันและกันในหมู่พวกเจ้า ตาฟาคุดขมยกตนข่มท่านคือฉันเหนือกว่าฉันมีครอบครัวดีกว่าฉันมีทรัพย์สินดีกว่าฉันมีการงานดีกว่าฉันมีหน้าที่ดีกว่าฉันได้ไปเที่ยวฉันได้ไปนั่นฉันได้ไปนี่ถ้าพี่น้องอยากเข้าใจคำว่าตาฟาคุดพี่น้องเข้าสื่อออนไลน์แทบทุกประเภทพี่น้องเจอการข่มหมดเลยครับผมตาฟาคุดเนี่ยฉันได้ไปเที่ยวนะฉันสวยนะฉันหล่อนะฉันรวยนะฉันมีแต่การอวดที่เต็มไปหมดซึ่งตามที่ผก้ราบอกตาฟาคุดใบหน้กุม วัตแกสูรุนแล้วก็มีการโชว์พิลอัมเวณเวลอาวลาดโชว่าวัพย์สินน่ะมีเยอะแค่ไหนหรือว่าลูกหลานมีเยอะแค่ไหนเพราะเราบอกดุนยาดูแค่นี้แหละดูแค่นี้ถ้าดูภาพรวมจริงๆของดุนยานะถ้ายังไม่ใช่ใครที่หลุดไปได้ไม่ใช่คนที่สามารถเห็นไอเครอดได้ถ้าคนที่เห็นแต่ดุนยาเนี่ยดุนยามีแค่นี้เลย <c oughs> มีการละเล่นมีสิ่งไร้สาร ะ, ะมีความสวยงามมีการโอ้อวด ข่มกันไปข่มกันมามีการโชว์ว่าใครมีอะไรมากบ้างมีทรัพย์สินมากหรือมีลูกหลานมากมีใครนี้จริงๆบ้านใหญ่โตโอดอวดใครรวยที่สุดในระดับโลกใครมีบ้านสวยที่สุดในดับโลกผู้หญิงคนไหนสวยที่สุดในดับโลกผู้ชายคนไหนสวยที่สุดใครมีหุ่นดีที่สุดอะไรมีคันอวดมีคันข่มข้อาาชบุ22 ว่มักฟีรัตุมินลลอรอีวั่ด้วานุมว่ามันพายาตุต้นย์จอิลามาตะตาอูบุรุนเพราะว่าบอกไงครับเหมือนกับเราเพียงแี่ไปฟังตอนแรกไม่เข้าใจใช่ไหมที่บอกว่ามันเหมือนกับการลเล่นหนึ่งไร้สาระหรือความงดงามหรือการอวดยู่ไม่เข้าใจใช่ไมเพราะว่าบอกมันก็เหมือนกับฝนนะเวลาที่เพราะว่าหลังฝนมามุสลิมดูฝนกับกาเฟดูฝนไม่เหมือนกันนะผู้ไปเสียสธาเวลาเขามองฝนเขามองว่าไงครับโอ้ฝนให้ความชุ่มฉ่า ถึงเวลาฝนลงมาปุ๊บมีพืชพันธุ์งอกเงยมาสวยงามงดงามอุดมสมบูรณ์แล้วเราบอกไงครับเหมือนกับผู้ไป็นศรัทธาเมื่อเขามีความประทับใจรู้สึกดีกับน้ําฝนที่หลั่งลงมาแล้วก็ทําให้เกิดต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นเขาจะเห็นคาตาเขาเลยถึงต้นไม้ที่มันเริ่มแห้งเหงี่ยวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสวยงามเมื่อพ้นจุดสูงสุดมันก็จะเป็นจุดร่วงโรยเขาเห็นต่อตาก็เลยว่าตอนที่บรรยายเป็นสีเหลือง แล้วตอนที่มันนั้นกลายเป็นเป็นเพีงแค่เสพเป็แคต่ตอตะโกคือไม่เหลืออะไรแล้วคือเห็นตั้งแต่ช่วงที่มันลดงามเดี๋ยวถ้ามันหายไปพวกเราบอกนี่แหละคือดุนยาแล้วถ้าคุณมองดุนยาเหมือนกับที่กาเฟมองคุณก็จะมองแค่นี้แหละคุณก็เห็นว่ามันมีจุดสูงสุดแล้วก็จุดร่วงลยพี่น้องไปดูทุกวงการพี่น้องแม้แต่กลุ่มที่มีคนหลงไหลมากที่สุดอย่างกลุ่มดารามันก็จะมีดาราที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็จุดร่วงน้อยก็ปกติ คนร่ดรวยคนหลอ่อคนสวยทุกอย่างพี่น้องไปดูหล่อแค่ไหนก็ตามถึงจุดหนึ่งร่วงโรยสวยแค่ไหนก็ตามไปถึงจุดนึงก็ต้องถึงจุดที่มันมันมสวยแล้วโดยเพราะถ้าเกิดดูตอนเสียชีวิตดูตอนอะไรยิ่งใครที่เสียชีวิตด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บความสวยงามก็ไม่เหลืออะไรความร่ารวยก็ไม่เหลืออะไรเพราะผมนีค่ครับ The f i l Kirtiada b s h a d i แล้วในวันเกียมาเนี่ย โลกหน้าเนี่ยก็จะมีการลงโทษที่เจ็บแสบต่ออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องเปรียบเทียบดูมีความสุขมีเห็นอะไรมีการท่องเที่ยวมีอาหารอริสอร่อยใช้ชีวิตกับดุนยาไปเจ็ดิบแปดสิบปีจบพอไปเจออาเคียร์เจอการลงโทษที่ต้องอยู่ในนั้นตลอดการพี่น้องคิดดูว่าถ้าเกิดชาวนรกตอนนั้นจะหันกลับมาดูในดุนยาเขาจะรู้สึกยังไงกับดุนยาพวกนี้ฉันทุ่มเทอะไรไปฉันใช้อะไรกับชีวิตของฉันนี่ฉันฉันทำไมฉันโง่ได้ขนาดนี้ ผัลอบอกครับเมื่อพูดถึงว่าเนีย่ยคือการลงโทษที่รออยู่ว่ามักฟื้นรอตุนอ่าไม่ใช่แค่การลงโทษที่รออยู่นะมีการให้อาภัยด้วยแปลว่าใครที่เขาคิดได้ใครที่เขาภาคไปแล้วแต่หลังจากนั้นกลับเนื้อกลับตัวสํานึกผิดมักฟื้นรอการอาภัยโทษจากผัวล้อ น, นั้นรออยู่ไม่ใช่แค่การอาภัยโทษความพอพระทัยจากองเมือ่อัวล้อยกโทษให้กับใครพผัวล้อก็จะเมตตาเขา วาริดวาณุมวามลหายาตุตุยาอิลลามะตะบุรุณเพราะเราได้สรุปอีกทีสรุปจากสรุปของสรุปว่าชีวิตในดุนยามันก็เป็นเพียงแค่สะเบียงที่เป็นภาพลวงตาเงินที่ได้ก็เป็นภาพลวงตาถึงเวลาต้องไปอยู่กับคนอืน่นครอบครัวที่มีถึงเวลาไปอยู่กับคนอืน่นอะไรก็ตามที่เราคิดเป็นของเราถึงเวลาไม่เหลือเป็นของเราอาหารที่เรากินก็ต้องขับถ่ายเสื้อผ้าเดี๋ยวมันก็ต้องเน่าเปื่อยผุพังไป ก็แปลว่าถ้าเราดูชีวิตจริงมันมันแค่นี้จริงๆเราได้เหมือนจะได้ครอบครองเหมือนในฝันนะ พ, พี่น้องพี่น้องเคยฝันไหมฝันว่าเราเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างฝันว่าเรามีเงินฝันว่าเรามีบ้านฝันว่าอะไรถึงเวลาตื่นปุ๊บทั้งหมดหายแล้วนะต่ลงชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่เราตื่นในชีวิตที่เราหลับในหลับไม่ใช่ชีวิตต้องตื่นสิ่ที่เราต้องทํามาหากินที่เราต้องทําอะไรก็ตามซึ่งพร่น้องก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยไอตอนเราตื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเพียงภาพของความฝันเพราะทุกอย่างที่เรา สต์เตรียมเอาไว้มันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่รอวันที่จะดับสูงไปในสรุรานอัลครับเขกล่ า, ลาวค่าว่ามลพิษในดุนยาอิลลัลไลบวะละบูวะละดารุฮะกะระข้ายุนลิลลาดีนยะตะคูนอัฟลาตัดกีรุนชีวิตดุนยาเนี่ยมันก็เป็นเพียงการละเล่นนะนก็เป็นเพียงสิ่งไร้สาระนะในขณะที่โลกหน้าเนี่ยมันดีกว่าสําหรับผู้ที่มีความตักกว่า ทำไมเจ้าไม่ใช้สติปัญญาพวกเราใช้คําถ้าจะว่าแรงก็แรงนะพี่น้องแต่มันคือความจริงเนะี่ยทำไมทําไมไม่คิดทำไมคิดไม่ได้ประมาณนั้นนะ่ะคือมุสลิมรู้จักอัลลอฮ์รู้จักละซูนรู้จักวันสินโลกศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อระซุนศรัทธาต่อคำพีศรัทธาต่อมัลลิกาศรัทธาต่อเปรัสเปสศรัทธาต่ออวิสินโลกศรัทธาทั้งหมดแต่ยังคิดไม่ได้ถึงเวลาก็ยังปิดกับดุญญาอัฟฟานะและตาฮิลูนทําไมถึง ไม่ได้ใช้ความคิดทำไมไม่ได้ใช้สติปัญญาถ้าเราดูครับในรอบตัวเราเนี่ยจะมีสัญญาณต่างๆมากมายมีสัญญาณต่างๆมากมายที่ให้เราได้เห็นถึงการมีอยู่ของพระอ์ที่ทำให้เราเห็นถึงการเริ่มต้นของการเฟื่องฟูของการดับสูญของการดับสลายเ้วเห็นอะไรมากมายพี่น้องแต่ใครละ่ะที่จะคิดได้เพราะกล่าวว่าในกุรานครับ องค์การต่างๆนั้นอาจจะเป็นสมหรับใครล่ะในสุรษฮุนวกะดัลิกะอาคัตวกะดัลิกะอัรบบกะอิอดลกระ و ي ด่าลิ مة อุนอินอัคดะฮูอาลีมันชริดอินฟิดะลิกะลาอัยยะลิมันข้ฟะอาดับลอัคระดัลกะยามุมชมูละฮุนาซุวกะดลกะยมุมชูพเราบอกลังจากที่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนก่อนหน้าเราที่ถูกลงโทษที่มันดับสูนที่มันผ่านไปแล้วพวเราบอกไงครับ สิ่งต่างๆเ่าเนี่ยที่โพล้อให้มีร่องรอยให้เราได้เห็นที่ได้เหเราได้เห็นในความิ่งใหญ่ของพระองค์หรือการอยู่ของพระองค์ลีมันคอฟาอาดาบลาอาเครอสำหรับผู้ที่เขานั้นกลัวการลงโทษของโลกหน้าและในวันนั้นทุกคนจะต้องไปถูกลมตัวกันและในวันนั้นจะเป็นวันที่ถูกเป็นสักขีพยานใครทำอะไรทุกคนได้รู้หมดทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลเพราะฉะนั้น มองให้ถูกมองให้เป็นแปลว่ามุสลิมเราเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเราต้องใช้ชีวิตแบบผู้ที่เห็นโลกหน้าพพเพราะโพลล์บอกว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ให้มันจะเป็นข้อเตือนใจเฉพาะผู้ที่กลัวการลงโทษของโลกหน้าเท่านั้นถ้าไม่กลัวไม่แสต่อให้เขาอ้างว่าเป็นมุสลิมต่อให้เขาอ้างว่าละหมาดต่อให้เขาอ้างว่าทำพักต่อให้เขาอ้างว่าทําดีทุกอย่างแต่ถ้าเขายังไม่เห็นอาเคร์ ถ้าเขายังใช้มาตรฐานของดุนยาชีวิตเขาก็ไม่มีประโยชน์อันใดครับผมวันนี้ก็ข อ, อรบลัสร์ดเพียงเท่า น, นี้ก่อนนะครับแล้วก็ยินชาวล้อเดี๋ยวเราครับกลับมาพูดคุยกันต่อครับผมขอตอบสลามพี่น้องที่รักทุกท่านที่สลามมาก็วายรีบุญสลามของคุณล้อวบอ ก, การอาตกกุขอให้กันรวมของเรานั้นเป็นการรวมตัวที่อยู่ภายใต้ความเมตตาของพวกล้อให้อยู่ในตาช่างที่งดงามของพระองค์ของพวกล้อรักและเมตตาพวกเราตลอดไปขอเรามีชีวิตอยู่ในสภาพของมุสลิม แล้วก็เสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ขอให้เรานั้นเห็นโลกอาคิรัลแล้วก็ความสํคาคัญกับอาคิรัลมากกว่าดุลยาขอให้เรานั้นหลงในลกับดุลยาจงลืมเป้าหมายที่แท้จริงขอให้เราอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ขาดทุนแล้วก็ขอให้เรานั้นมีใจเหนือนผู้ไปเสีศรัทธาครับอาเมนอะบูลูกะลีฮะดะวัสสักรุลลอฮะลิวะลักุมวาลิไซมุสลิมีนะมินคุญละสักฟิรูอินหัวกะฟุลอรลฮิมสุบฮาร์กัลลอฮ์มัยฮัมดิกะอัลชาดอลลาอิล أستقبلكم و ت ب ل ى ك ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته